หลักแห่งการฟังเทศที่สามารถสรีระรับรสพระธรรมให้ประจักษ์กับใจของตนต้องตัง้งจิตไว้ปัจจุบันนรรมเสมอไม่ให้ส่งออกไปสี่อารมณ์ภายนอกตั้งความรู้สึกของเราไว้ภายในใจ มีสติรักษาอยู่เท่านั้นธรรมเทศนาท่านจะแสดงลึกซึ้งหยาบละเอียดจะเข้าไปสำัสำหมักผัสในความรู้ของเราตามธรรมดาของจิตทำหน้าที่อันเดียวเท่านั้นเมื่อได้ทำหน้าที่อันใดอยู่จิตอย่างอื่นจะเข้ามาแทรกไม่ได้ นอกจากความรู้สึกจะก็เพิ่มออกจากจิต ท, ที่ตนกำลังทำแล้วไปต่อกับอารมณ์นั้นๆเท่านั้นจึงจะกลายเป็นทุระอื่นขึ้นมาที่ทจิตใจทีนี้เมื่อเราได้ระดับทำอยู่ในขนาดนั้นด้วยความมีสติธรรมะที่ทั้นแสดง และเข้าไปสัมผัสที่ใจของเรานั้นจะเป็นเครื่องระงับความกระเพื่อมของใจที่จะออกไปสู่อารมณ์ภายนอกด้วยและเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจของเราให้มีความสงบลงในขณะที่ฟังเทศน์นั้นด้วยใจที่ไม่รนะับความสงบสูขก็เนื่องจาก ทำความกระเพื่อมต่อตอนเองอยู่เสมอเมื่อจิตได้หยุดความกระเพื่อมเข้าสู่ความสงบเท่านั้นความสุขต้องซึ่งเป็นส่วนผลต้องปรากฏขึ้นมาแล้วแต่ความสงบที่ปรากฏขึ้นนั้นมีมากหรือน้อยความสุขก็ต้องเป็นเงาตามตัวเช่นเดียวกันถ้าจิตได้รับความสงบมากความสุขก็ต้องปรากฏขึ้นมามาก การฟังเทศที่ได้รับผลในขณะที่ฟังเทศต้องตั้งจิตของเราไว้อย่างนั้นท่านครูแสดงธรรมท่านจะไม่แสดงจากหลักความจริงที่เป็นอยู่มีอยู่ในตัวของเราธรรมะทั้งหมดที่ท่านแสดงจะต้องลรือขึ้นมาจากเรื่องที่มีอยู่ในตัวของเราทท่านั้น นอกจากเราไม่สามารถที่จะพินิจพิจนารณาในความเป็นอยู่ของตนให้เห็นชัดตามเรื่องความมีอยู่เป็นอยู่ของตนเท่านั้นจึงหาทางปลดเครื่องตนเองไปไม่ได้แล้วหาความสงบใส่ตัวเองไม่ได้คำที่ท่านกล่าวไว้ว่าอริยสัจจะทำทั้งสี่ นี่ถ้าเราจะพูดตามชื่อของอิยาสัตแล้วก็เป็นความเคยชินในหูในในใจของเราเียเป็นขอแต่ธรรมชาติที่ให้ชื่อว่าอิยาสัตจะทำทั้งสี่นั้นอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรเรายัางไม่ทราบ คือความไม่สบายภายในกายก็เรียกว่าอายศัสตร์ความไม่สบายใจก็เรียกริยศัสตร์แปลว่าเป็นของจริงดีเช่นนี้ใครจะเชื่อก็าตามไม่เชื่อก็าตามทุกทั้งสองประเภทนี้จะต้องมีดีในเมื่อแก้ไขยังไม่ได้ตราบใด แต่เมื่อได้แก้ไขให้หลุดพ้นไปจากใจแล้วแม้ทุกจะมีอยู่ตามร่างกายก็ไม่เป็นเหตุที่จะทําใจของเราให้เดือดร้อนและกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาภายในใจคำว่าสมุทัยแปลว่าแดนเกิดแห่งทุกข์อะไรเล่าเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ นอกจากผู้ที่หลงในทุกข์เท่านั้นก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ได้ทุกข์เกิดขึ้นจากตัวเองตัวก็หลงในทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากตัวเองมีท่านเรียกว่าสมุทยัยนิโรธเป็นผลซึ่งเกิดขึ้นจากการแก้ไขด้วยศีลสมาธิปัญญาที่ท่านให้น้ว่าม ความทั้งสี่ประเภทนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่หลังนี้และมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ภายในกายกับใจของเราโดยเฉพาะแต่ละรายละหลายนอกจากว่าเราจะไม่ผุดข้นขึ้นมาตามหลักแห่งธรรมที่มีจริงอยู่เท่านั้นเราจึงจะไม่สามารถ รู้หลักความจริงที่ท่านให้ชื่อว่าอริยสัจนิองสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าท่านในตรัสรู้ท่านในตรัสรู้อะไรและท่านหลงท่านหลงอะไรก็หลงในเรื่องที่มีอยู่ของท่านทั้งนั้นทุกขก็มีอยู่ในพระองค์สมุทัยก็มีอยู่ในพระองค์เมื่อพระองค์ได้ สเสด็จออกบวชเป็นนักรตทรงอุตสาห์พยายามบำ เ, เพ็ญพระองค์อยู่ด้วยความภาคความเพียรจนมีความสามารถทางด้านสติทางด้านปัญญาสติกับปัญญาก็กลายเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นแล้วแก้สิ่งที่เป็นค่าสิกแจ ก็ไทยสองพระองค์ทราบให้หมดเป็นลําดับลาดับไปจนกระทั่งได้แก้ให้หมดเสียจริงปรากฏเป็นมิโลทะคือความดับสนิทแผ่ทุกข์ขึ้นมาที่ใจจากอริยสัย์ไปแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะพูดได้ว่านั่นคืออะไร แต่ท่านก็ให้ชื่อว่านิพพานตามที่ท่านกล่าวไว้ในตำนานว่ามรรคสีผลสีนิพพานขอให้บรรดาท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายจงพิจารณาใช่ควรในหลักแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเปิดฐานเอาไว้ว่าเป็นธรรมปัปัจจุบันอยู่ก็เหมือน คือมีอยู่ในกายในใจของเราทุกๆท่านไม่เคยสูญหายไปจากตัวของเราแม้แต่น้อยพบ ก, กันเริ่มตั้งแต่เราตั้งหรือเข้าสู่ปฏิชนิดอวิญญาณมาแสดงให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงบัดนี้และยังจ ะ, ะแสดงอยู่จนกระทั่งถึงวันอวาสานแห่งชีวิตของเราหนีเป็นทุกประเภทหนึ่งซึ่งมีประจำกายของเรา ทุกที่มีประจําอยู่ภายในใจเมื่อเชื้อฝังอยู่ในพืชหรือเป็นพืชที่สําคัญฝังอยู่ในหัวใจของเรายังมีอยู่กราบใดใจตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าเชื้อเพราะวัตตะสงสารไว้ที่ใจของตนเองเหตุที่ท่านกล่าวว่าวัตตะคือความหมูนเหียนนั้น รลากฐานอย่างมัตตะจริงๆก็คือใจนี่เงเมื่อใจเป็นตัวหมุนเยียนใชเองแหละธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟก็เลยกลายเป็นเครื่องหมุนเยียนไป ต, ตามๆกันทั้งๆ ท, ที่ดินก็เป็นดินน้ำเป็นน้าลมเป็นลมไฟเป็นไฟเมื่อธรรมาชาติตัวหมุนเยียนนี่เข้าไปแทรกสิงอยู่ในภาพ เหล่านั้นแล้วธาตุเหล่านั้นเลยแปรรูปหรือแปรชื่อจากธรรมชาติเดิมทั้งตนกลายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาอย่างที่เราทั้งหลายเห็นอยู่ทั้งของคนอื่นและตัวของเราเองนี่ก็คือธาตุปีนั่นเองแตรถูกแปรสภาพมาจากตัวหมุนเวียนตัวเดียวเท่านั้นคือดวงจัใจ เมื่อธรรมชาตินี้ยังมีอยู่กราบใดจะต้องเป็นกงจักรหมุนไปเปลี่ยนมาดีเช่นนี้และไม่มีวันตกทิ้งถ้าผู้ใดใคร่ต่อการแก้ไขกงจักรือใจของตนเอง ที่เต็มไปด้วยยาพิษฝังอยู่ในจิตใจทั้งกนก็ต้องเป็นผู้พยายามมีความภาคความเพียรตั้งสติลงไปที่กายพิจารณาลงด้วยปัญญาให้เห็นชัดเช่นจังพิจารณาทุกแม้เราจะพิจารณาเฉพาะตัวของเราก็เพียงพออยู่แล้วในเรื่องของทุก ไม่มีส่วนใดบกพ่องพอที่จะพอที่เราจะต้องไปหาหยิบยืนพิจารณาทุกจากบุคคลอื่นถ้าเราจะพิจารณาทุกจากคนอื่นมาเป็นเครื่องเตือนใจริอเป็นความเฉลียวฉลาดเครื่องเตือนต น, ตนของตนให้รู้ในเรื่องทุกที่มีในค น, นก็ไม่เป็นการผิดอันใดแล้วแต่ปัญญาของเราจะใช้ หลักของสติปัญญาเป็นธรรมสำคัญสำหรับท่านผู้มุ่งความพ้นทุกในวันนี้วันหน้าหรือชาตินี้เท่านั้นถ้าสติกับปัญญาไม่กรมเกี่ยวกันจะมีตั้งแต่เพียงศรัทธาความเชื่อเท่านั้นอาจจะเชื่อไปในทางทีผิด การดำเนินของเราก็ไม่สม่ำเสมออาจจะกลายเป็นความกระเทือนต่อตนเองแล้วส่วนเดือนไปก็ได้นี่เรื่องของปัญญาเรื่องของสติใช้ได้ทั้งคำส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดใช้ได้ทั้งทั้งภายนอกภายใ น, นองสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าของเราพระองค์เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดการดำเนินพระศาสนาจึงเป็นมาด้วยความราบเร่ยน ไม่เป็นนุ่มๆนอนๆสูงๆต่ำๆเป็นความสม่ำเสมอต่อโลกหรือสถานที่ทั่วๆไปเราผู้ที่จะดำเนินพระาศาสนาก็เช่นเดียวกันพระอาการเคลื่อนไหวของพระพุทธเจ้าทุกๆพระอาการไม่เคยปราะศะจากความเป็นาศาสตราสอนโลก ต้องเป็นครูของโลกเสมอไปจึงได้ให้นามว่าศาสตราไม่เพียงแต่ว่าจะต้องเป็นศาสจะเป็นศาสนาเฉพาะการประทานโอวาทแนะนําสั่งสอนในขณะนั้นเท่านั้นไตรยบททั้งสี่นิ้ความเคลื่อนไหวอันใดของพระองค์เจ้าต้องเป็นครูของศัตริ์เสมอฝัปไม่เคยที่จะแสดงพระอากัปกิริยาให้เคลื่อนไหวจากความเป็นศาสนรา กลายเป็นความเป็นอื่นไปในพระองค์เจ้านึ่จึงให้ชื่อว่าศาสน า, ศาเราก็น้อมเอาพระอาวัธที่พระองค์เจ้าทรงประทานไว้นั้นเข้ามาเป็นครูสอนตนทุกๆอาการที่เคลื่อนไหวของเราต้องเป็นครูสอนตนเสมอไปถ้าเคลื่อนไหวไ ป, ไปในทางที่ผิดก็ต้องเป็นครูสอนตนว่า น, นี้คือทางผิดไม่ควรเจือปนไป หดังนี้เป็นต้นมีเรื่องเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสติกับปัญญาถ้าเราไม่รอบคอบในการดำเนินปฏิปทาของเราแล้วอาจจะเป็นเหตุอย่างน้อยก็ทำความเลื่อนช้าให้แก่ตัวเองอย่างมากก็เป็นการกระเทือน ลกเพราะฉะนั้นคําที่ว่าสติกับคําที่ว่าปัญญาจึงเป็นที่เลี้ยงในปฏิปทาทุกๆด้านไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในสติกับปัญญาเป็นของสําคัญคนเราทุกๆคนที่ทําไปต้องเข้าใจว่าตนถูกต้องเสมอไป ทั้งๆ ท, ที่การดำเนินนั้นเป็นทางผิดนี่ก็คือขาดสติและขาดปัญญาไม่รอบครอบในปฏิปฏาทาของตนเองิริยาที่ทำไปทุกอย่างไม่สูญเสียไปไหนเป็นเหมือนกันกับว่าตัวหนังสือติดอยู่กับตัวของเราใครมองเห็นเข้าก็อ่านได้ความทานที แต่ตัวของเราเองเราอ่านไม่ได้ความทั้งๆ ท, ที่ตัวหนังสือติดอยู่กับอากัปจิริยาคือปฏิปทาการดําเนินของเราคนอื่นก็อ่านได้ความนี่เพราะเราไม่มีความสำหรับครอบในปฏิปทาของเราเราจึงอ่านเรื่องของเราไม่ออกคนอื่นก็มาอ่านให้เราแต่ถ้าคนอื่นอ่านแล้วบอกเราเรื่องราวของเราว่าผิดหรือถูกเรา มีความจำนวนต่อเหตุผลนั่นก็ยังเป็นการดีแต่นี้ไม่ยอมฟังและยังอ่านเรื่องของตัวเองในทางทุกผิด้วยไปก็เลยกลายเปย่วงผิดไม่มียิลาที่จะถูกต้องตามผลทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่ได้เลยเพราะเหตุ น, นั้นเราทั้งหลายทุกทกท่านที่เป็นนักปฏิบัติด้วยกัน พึงมองข้างหน้ามองข้างหลังปฏิบัติธรรมที่เราดำเนินไปทุกวันให้สำเนียกในตัวเองเสมอไปการสำเนียการพิณิพจิจารณาในตัวเองเสมอไปนั่นนั่นคือเรื่องของปัญญาจะเป็นไปเพื่อความราบรื่นเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินภ า, ายใน จ, จิตใจเป็นของสำคัญมาก าไม่มีสติไม่มีปัญญ า, าค่ควรดูปฏิปทาของตนเองแล้วเป็นเหตุที่แจ้งเสียถ้าจะพูดถึงเรื่องสมาธิกลายเป็นสมาธิเป็นมิจฉาทิคิเรียกมิจฉาสมาธิโดยไม่รู้สตัวก็มีกันเอมากเห็นภาวนาเข้าไปมองดูเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ที่ไหนดังนี้เป็นต้นนี่ริงลนี้จะเกิดขึ้นภายในจิตใจโดยเฉพาะ โดยเราไม่ต้องไปเพ่งเลงหาที่ไหนซึ่งนอกจากหลักสำคัญที่จะให้เกิดความรู้ความเห็นต่างๆขึ้นมาได้จากการต้องรวมจิตใจของตนด้วยสติหรือเราจะพิจารณาในสภาวะส่วนใดส่วนหนึ่งที่ได้เคยพิจารณามาแล้วก็ให้ทำความรู้สึกและมีสติรักษาใจของเราไว้กับสภาวะธรรมนั้นๆไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องราวอะไรทั้งนั้นนี่ จะเป็นไปก็ความถูกต้องเรื่องความรู้ความเห็นแต่แปลกนั้นเป็นเฉพาะเรื่องของบุคคลที่มีนิสัยเกี่ยวข้องอย่างนั้นแม้จะมีความรู้ความเห็นเกิดขึ้นอย่างนั้นก็ตามถ้าท่านผู้มีปัญญารอบคอบในความรู้ความเห็นทั้งตนท่านก็นย่อมรู้จักสถานที่และบุคคลรู้จักการเวลาที่จะเกิดระบายออกบ้างเล็กน้อยหรือมาก ถ้าไม่เข้าใจหรือไม่ได้สนใจในเรื่องเหล่านี้ด้วยปัญญาแล้วความรู้ความเห็นที่เป็นขึ้นในตัวของเราเองเป็นความจริงแต่ก็กลายเป็นความผิดเป็นเหตุทำความกัดเวนแก่บุคคลอได้เพราะนั้นเรื่องของปัญญาจึงเป็นเรื่องสำคัญความรู้ซึ่งจะเป็นขึ้นภายในจิตนี้ เมื่อเราได้อบรมจิตใจของเราให้เป็นไปเพื่อความสงบโดยลาดับแล้วจะปิดไว้ไม่อยู่ยสฤทธิ์เดชสยของท่านผู้ใดที่จะเคยควรรู้ควรเห็นในสิ่งใดๆก็ตามจะปรากฏขึ้นจากเรื่องของสมาธิที่ความสงบนั้นโดยแท้แต่จะปรากฏขึ้นมากน้อยหรือต่างๆกันนั้นหาประมาณไม่ได้ ตามแต่กระดิษนิสัยที่จะต้มพันเกี่ยวเนื่องกับเครื่องอะไรเมื่อรู้เมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องทําความรู้สึกไว้ในใจของเราโดยเฉพาะหากว่ามีรายใดที่ประิพฤติปฏิบัติและมีความรู้ความเห็นเช่นเดียวกับเรามาเล่าเรื่องนั้นให้เราฟังเราจะสนทนากันได้ตามสบายเฉพาะ คนที่มีวิสัยเช่นเดียวกันและมีความรู้เช่นเดียวกันกับเราแต่เมื่อออกหรือแยกจากผู้นั้นไปแล้วความรู้ประเภทนั้นจะต้องเก็บไว้ที่ผัสที่หัวใจของเราโดยเฉพาะทําเหมือนกันเราไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนี่เราจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามสถานที่ตามบุคคลคำว่าบุคคล น, นั้น คนมีจำนวนมากคนที่ควรจะไว้ใจได้แค่ไหนคนที่จะสามารถรักษาคำพูดคำจาที่เราพูดด้วยเจตนาวังดีนั้นไว้ได้หรือไม่หรือจะกลายเป็นข้าสึกต่อเราในเมื่อพูดไปแล้วนักคำพูดที่เราพูดออกจากความรู้สึกของเรานี้เป็นความพูดเป็นคำพูดถูกต้องหรือไม่ แล้วความรู้ที่รู้นั้นเป็นความรู้ที่ถูกต้องหรือไม่เราต้องสนใจเสมอไปไม่เช่นนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรียกว่าลายได้าเพียงนิดเดียวแต่ว่าลายเสียหายมากมายเพราะความไม่รอบครอบในความรู้ของตนแล้วละบายความรู้ประเภท น, นั้นๆออกไปในก็โดยไม่กําหนดสถานที่บุคคลเขาเรียกว่าข้ามไปเลยนี่เป็นเหตุให้เสียโดยมากพระกรรมฐานของเราเสียเสียเพราะเหตุนี้ ความรู้ความเป็นที่ปรากฏขึ้นในใจของเรานั้นก็เป็นความจริงแต่วิธีที่เราจะปฏิบัติให้ถูกต้องหรือให้เหมาะสมกับความรู้ข้างเราที่เป็นเช่ น, นั้นมันขึ้นอยู่กับปัญญาถ้าไม่รอบครอบแล้วอาจเสียหายไปหน้ขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้หลักสำคัญที่จะทาใจของเรา ให้ปรากฏผลขึ้นมาคือความสงบนุกความแเหลียวฉลาดจนสามารถแยกสิก่งที่เป็นค่าศึกภายในใจของเราได้เป็นลำดับไปนั้นจะขึ้นอยู่กับเรื่องการอบรมจิตใจด้วยสติด้วยปัญญาพยายามทําใจของเราให้อยู่ในกรอบ เช่นอย่างเราจะกําหนดลมหายใจก็ให้มีความรู้อยู่กับลมหายใจเท่านั้นโดยมีสติเป็นเครื่องรักษาอยู่เสมอไม่ให้เครื่องค่าจากลมหายใจที่เรากําหนดไว้เช่นผู้ที่ทจะพิจารณาในอาการใดซึ่งมีอยู่ในส่วนแห่งกายนี้ก็ต้องให้มีความรู้สึกอยู่กับอาการนั้นโดยเฉพาะเมื่อใจได้รับความสงบ แล้วจะปรากฏผลขึ้นมาคือความสุขความเชื่อในพระศาสนาจะปรากฏขึ้นเป็นหลักธรรมชาติเป็นลำดับลำดับไปเชื่อในความสุขซึ่งเกิดในสมาธิก็จะปรากฏขึ้นมาเชื่อความสุขซึ่งเกิดขึ้นทางด้านปัญญาก็จะปรากฏขึ้นมาในสถานที่แห่งเดียวกันเพราะความสุขมีหลายชั้นความสุขในชั้นสมาธิเป็นชั้นหนึ่ง คำว่าสมาธิก็มีหลายชั้นเหมือนกันท่านแปลไว้ว่าคณิกะอุปจาระอัปปนาพูดง่ายๆคือว่าความสุขส่วนหยาบซึ่งเกิดขึ้นจากความสงบความสุขส่วนกลางความสุขส่วนละเอียดซึ่งเกิดขึ้นจากความสงบนี้ทันเรียกว่าความสุขเกิดขึ้นจากทางด้านสมาธิทวางสุขที่เกิดขึ้นจากปัญญาส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดหมายถึงปัญญาส่วนหยาบ แก้ไขกิเลสไปได้ตามกําลังของตนปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาเพราะกิเลสประเภทนั้นดุจไปจากรใจสัญญาส่วนกลางแก้กิเลสตามฐานะของตนหลุดค้นไปปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาตัญญาส่วนละเอียดได้แก้ไขกิเลสส่วนละเอียดไปจนไม่มีอะไรเหลือปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาอย่างเต็มที่นี่ ความปลุกซึมมีหลายทัน้นความเชื่อที่เป็นไปโดยพาดพันเอเป็นความเชื่อที่เป็นภาพพื้นความเชื่อที่ปรากฏขึ้นในใจของเราเพราะความรู้ความเห็นในสภาวธรรมประจักษ์กับใจของเราเป็นความเชื่อว่าเป็นดังนั้นได้จริงๆดังนี้เป็นต้น แตัเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นในหลักธรรมชาตมีเป็นความเชื่อที่จะทำใจให้เราให้มั่นคงต่อสาสนธรรมหรือต่อหลักความจริงที่พระองค์เจ้าทรงประทานไว้แล้วคำว่าสมาธิหมายถึงความมั่นคงของใจง เมื่อใจได sure the <that> ้ร right ับความสงบจะชั่วยะเวลาเล็กน้อยก็ปรากฏเป็นความมั่นคงขึ้นมาในขณะนั้นนี่ท่านก็เรียกสมาธิแล้วมีความมั่นคงเป็นลาดับกำลัเรื่องของปัญญาพิจารณาไก่กรองเมื่อถอนออกจากสมาธิแล้ว เราจะไกด์กรองตามสภาวะผลใดซึ่งมีอยู่ในร่างกายของเราหรือนอกไปจากร่างกายของเราลงในตรัยลัทธ์คืออันิจจังคุกขังอนัตตาให้เห็นด้วยจักด้วยปัญญาของเราคำว่าอานิจจังก็ทั่วทั้งโลกธาตุเต็มไปด้วยสภาวะที่เป็นอันิจจังทั้งนั้นนี่ไม่เคยบกพร่องตลอดการไม่ไหน ทำมทุกขังก็เช่นเดียวกันใครอยู่ที่ไหนก็บ่นว่าทุกเดือดร้อนแต่รเราตัวของตัวของเราเองซึ่งนั่งอยู่ในบัตรนี้พวกก็ประจักษ์อยู่กับใจของเราไม่เคยบกท่องไปไหน อ, อนาตตาเราเกิดในโลกนี้เราเอาอะไรเป็นตัวเป็นตนของเราอ่ะก็มาอาศัยดินน้ำลมไฟที่มีอยู่ ตามธรรมชาติของเขาขึ้นมาเป็นตัวของเหลาหนีจะหาอัตตาจากดินน้ำลวามที่ไหนได้ถ้าพูดถึงใจก็เป็นตัวกงจากอยู่แล้วหมุนไปหมุนมาตามพบตามชาาิเกิดแล้วเกิดเล่าตายแล้วตายเล่าคุกแล้วทุกเล่าไม่มีเวลาจบสิ้น นี่ก็คือองค์จักรของใจหมุนตัวเองให้รับความทุกความดัดล่อนแล้วเราจะเอาอัตราจากธรรมชาตินี้ที่ไหนูการพิจารณาด้วยสัญญาพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนเกิดความ ช, นชนานิํานานเกิดความเชื่อมั่นในการพิจารณาของตนว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ ด้วยปัญญาของเรานี่ความสุขของใจก็ยิ่งจะปรากฏขึ้นภายในใจเป็นลำหนับลำหนับนับตั้งแต่ความสุขขั้นหยาจนกระทั่งถึงความสุขขั้นสูงสุดได้จากความสุขซึ่งเกิดขึ้นจากการแก้ไขเกลียดให้หมดไปจากใจไม่มีเหลือ คำว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านตรัสรู้ที่ไหนก็ตรัสรู้ในวงแห่งอ น, อ น, อนตรายลักษที่หนึ่งทามาในพิจนาตรายลักแล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาไม่ได้เพราะเห็นนั้นตรายลักจึงเป็นเช่นทางเช่นทางเลยเหมือนอย่างถนนทุนทางเรามี สีนสมาธิปัญญาเหมือนกันกับเราผู้ก้าวไปตามหนทางนั้นถ้าจะมีตั้งแต่หนทางไม่มีผู้ก้าวไม่มีผู้เดินหนทางก็เป็นโมฆะก็เหตุนั้นเรื่องไตรลักษณ์กับสีนสมาธิปัญญาจึงเป็นธรรมทั้งพันจิวเมืองกันแต่ก็ไม่ใช่ เป็นตัวมรรคผลมิพานด้วยกันทั้งสองอย่างทั้งสองประการหรือทั้งสองตัวเทศไตรลักษณ์ก็ไม่ใช่ตัวมรรคผลมิพานสีลสมาธิปัญญาก็ไม่ใช่ตัวมรรคผลมิพานแต่เป็นเครื่องดำเนินไปตามหนงทางคือไตรลักษณ์เครื่องดำเนินได้แก่ศีนสมาธิปัญญาเมื่อไปถึงที่อันก็เสร็จแล้ว ก็ปล่อยไว้ตามสภาพทั้งหนทางทั้งเครื่องนำเนินไปถึงที่หมายถึงถึงที่ถึงที่ไหนแล้วเราเดินเราจะเดินไปเพื่ออะไรตามธรรมดาของใจย่อมเห็นแตรลักว่าเป็นตนสมุตัด การที่กลายดูตรายรักษ์ให้เห็นแช้งด้วยปัญญาเป็นการปล่อยวางในตรยรักษ์ได้เป็นลำดับไปนี่เมื่อปล่อยวางในสภาพทั้งหลายเหล่านี้ได้จนไม่มีอันใดเหลือแล้วนั่นเป็นจุดที่เราถึงถเรียกว่าถึงหมายถึงอย่างนั้นเอง ศีลสมาธิปัญญาก็เป็นเครื่องแก้ไขสิ่งเหล่านี้เมื่อได้ถึงที่จุดหมายปลายทางแล้วไตรลักษณ์ก็เป็นของจริงอยู่ตามสภาพของไตรลักษณ์ศีลสมาธิปัญญาต่างก็เป็นของจริงอยู่ด้วยกัน เมื่อสรุปความลงแล้วอริยาศาสตร์ทั้งสีคือทุกสมูทายนิโรธมาแต่ละอย่างละอย่างกราเป็นของกินไปตามสภาพของตนคือไม่มีการตําหนิติชมในอริยาศาสตร์นีเพราะตามธรรมดาอริยาศาสตร์จะต้องมีทั้งฝ่ายตําหนิมีทั้งฝ่ายชม ทุกขกาะสมุทรไทยเป็นฝ่ายที่ควรจะตําหนินิโรธมรรคเป็นฝ่ายที่จะควรทมเถยแต่เมื่อได้พันอายสัตว์ทั้งสี่นี้ไปแล้วนียกว่าเห็นอายสัตว์ตามความจริงความตําหนิจิทมในสัจธรรมนี้ก็หมดไป นั่นเราจรึงจะมีความสบายถ้าจิตได้นำเนินให้ถึงขั้นนี้แล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่มีภัยมีอันตาหูจมูกคิ้งกายใจซึ่งเคยเป็นภาพติดต่อเรามาเป็นเวลานา น, านก็กลายเป็นของจริงขึ้นมา รูปเสียงกินนกเครื่องสัมผัสที่เราถือว่าเป็นคู่ค่าศึกต่อตาหูจมูกลิ้ยงกายและใจของเราสางก็กลายเป็นของจินไป ต, ตางๆันเพราะใจไม่เป็นภัยต่อตนเองสิ่งทัางหลายก็กลายเป็น ธรรมนาไปตามๆกันขอให้พยายามปรับตุงจิตใจข้งตนให้เข้าสู่ความสงบได้นั่นเป็นของสำคัญถ้าใจหาความสงบไม่ได้แล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายไม่ว่าอยู่ในน้ำอยู่บนบก อยู่ในบ้านในเรือนอยู่ในบ่วาว่าจะนั่งจะนอนในยาบททั้งสี่มีแต่ทุกข์แวดล้อมอยู่ตลอดเวลาหาที่ตรงลงไม่ได้ก็เรียกว่าทำตัวให้เป็นคนมีโลกแคบอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายทำตัวของเราให้เป็นโลกกว้าง วงออกไปก็คืออยู่ที่ไหนมันสบายเพราะตัวคิดมันหมดไปแล้วจากภายในใจธรรมาวัตจักซึ่งมีอยู่ภายในใจก็จะเป็นวัตจักได้ในเวลาที่ตนยังลุ่มหลงอยู่เท่านั้นเมื่อตอนได้รู้สภาพนั้นด้วยปัญญาแล้วสภาพนั้นจะเป็นกคงจักไปเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาไม่ได้ คำที่ว่านิพานเที่ยงจะหมายถึงอะไรจิตตามธรรมดาต้องข้เหว่าตนเองอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็หาเรื่องมารูปเสียงกลิ่นนวดเรื่องสัมผัสมาข้เหว่าจิตใจของเราให้คงแท้ที่จริงใจของเราก็ะเพื่อมไปสู่สภาวะทั้งหลายเหล่านั้นโดยไม่รู้สึกตัวคือทําความกระเพื่อมแก่ตนเองอยู่ตลอดเวลาใจจึงหาความเที่ยงทําไม่ได้ แล้วพระนิพพานจะเที่ยงได้ที่น่ะเมื่อใจได้ทรงความรู้อันเบิสุดไว้ภ า, ายในตนเองแล้วก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรกับสภาวะทั่วไปจะให้ชื่อว่า น, นิพพานเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับท่านผู้เป็นเช่นนั้น ตามธรรมดาของใจจะต้องอยู่กับอารมณ์เสมอไปจะอยู่โดดเดียวไม่ได้เมอารมณ์ทางรูปก็ต้องทางเสียงทางกลิ่นทางรสทางเครื่องสัมผัสถูกต้องแล้วมาเป็นอารมณ์ขึ้นในตัวเองโดยยึดเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นอารมณ์ทางในใจจะอยู่อย่างนั้นเสมอไปใจไม่เคยเป็นหนึ่ง มีสองกับอารมณ์เสมอไปแล้วจะหาความสุขที่ไหนภายในใจของตัวเองนะข้อใจไม่เคยเป็นอิสระเสรีในตนเอ ง, งต้องอาศัยพึ่งพิงอารมณ์ทั้งหลายอยู่เช่นนั้นตลอดเดวลาเรียกว่าใจเป็นสองอยู่เสมอไม่เคยเป็นอันเดียวเมื่อเราได้ชำระจิตใจของเราจนกระทั่งถึงเป็นอิสระเสรีโดยไม่ต้องพึ่งพิงสิ่งใดทั้งหมดแล้วนั่นแหละเราจึงจใจมีความสุขทสมบูรณ์ภายในใจของเรา หลักที่จะทําให้ใจของเราได้รับความสงบขอให้ตั้งสติให้ดีปัญญาต้องค่อยควรเสมอไปปัญญากับสมาธิให้มีความสัาพันธ์เจือเนื่องกันคือให้ใช้ปัญญาในเวลาที่จะควรใา้ให้ทําสมาธิในเวลาที่จะควรทํา ไม่ปล่อยไปทางสมาธิโดยทางเดียวให้มีความทั้พันธ์กันไปจนนี้ตามการอันควรที่ว่าจะเป็นผู้รอบครอบในปฏิปภาของตนสมาธิทพงทราบว่าเป็นธรรมอาศัยทุกค่ะารเมื่อถึงขั้นปัญญาที่จะงัญชายจริงๆแล้วต้องทราบสมาธิเป็นอย่างนั้นจริงๆ แต่ในขั้นที่จะ อ, อาศัยสมาธิเป็นที่อยู่ก็ต้องพยายามทำให้สงบมากๆเพราะเราทำงานก็ต้องมีอาหารเป็นเครื่องบริโภคหรืออุปโภคไม่มีสิ่งแบบนี้ไม่ได้เรื่องจะดำเนินในทางธรรมะถ้ามีความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงน้ำใจก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นสมาธิกับปัญญาจึงเป็นธรรมจาเป็นสำหรับผู้ดาเนิน เพื่อความพ้นทุกข์เพียงขั้นสมาธิเราก็รู้สึกสบายอยู่ที่ไหนก็ไม่ค่อยวุ่นวายกับสิ่งนั้นใดมีความสะดวกกายสบายใจนั่งอยู่ในล้มไม้อยู่ในภูเขาอดบ้างอิ่มบ้างได้หลับบ้างนอนบ้างอดบ้างก็รู้สึกสบายเพราะใจไม่วุ่นวายแต่ถ้าใจวุ่นวาย ไม่สะดวกแล้วอยู่ที่ไหนก็ให้สาบายทั้งนั้นเป็นไฟเผาตัวเองอยู่ทั้งวันทั้งคืนทำว่าไฟนรกอเวจีที่ไหนนั้นเราได้ยินแต่ชื่อแต่ไฟที่เด็ดปัญหาสภาวะซึ่งมันเผาลวนมอยู่ภายในจิตใจของเรานีไม่ค่อยจะมีชื่อแต่ปรากฏอยู่กับใจของเราแค่เองมีธรรมละไฟอันนี้ให้ได้ จะกลายเป็นผู้มีความร่มเย็นขึ้นมาในตัวของเราอีกให้ทุกทนทราบว่าธรรมะทั้งด้านปฏิปทาเครื่องดําเนินและผลที่จะพึงได้รับจากปฏิปทาเครื่องดําเนินของเรานั้นเป็นปัจจุบันนัตธรรมอยู่เสมอภายในกายกับติของเราธรรมของพพุทธเจ้าไม่เคยที่จะไปรวมอยู่อดีตหืออนาคตโด ย, ยเดียว แม้จะเป็นได้หยุดก็เป็นส่วนของเราหรือของคนอื่นที่ผ่านมาแล้วแต่ปัจจุบันที่เป็นรากฐานสำคัญมีอยู่กับตัวของเราเสมอไปจงพยายามพิจารณาผู้ใดมีความขยันหมั่นเพียรในการพยายามมาิจิรณาด้วยสติด้วยปัญญาประกอบกับองค์งความเพียรให้ตงเสมอไปแล้ว ผู้นั้นแหละจะเป็นไปด้วยความพ้นทุกข์ได้โดยไม่ต้องไปกำหนดชาติไห น, ไหนเพราะทุกข์มีอยู่กับหัวใจของเราไม่เคยให้ชื่อให้นามว่าชาตไหนพบไหนมีอยู่กับใจของเรานี้โดยเฉพาะเมื่อเราได้แก้ให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วก็จะมีปัญหาอะไรกับชาตนู้นชาตินี้หมดปัญหาไปแล้วมันก็เป็นคนดีด้วยความสบาย ไม่มีเครื่องเกาะเกีเ่ยวเป็นอิสระในตนเองน่นะหลักเหตุผลมีดยู่ที่นี้เราอยา่าไปคาดหมายว่ามะขุ่นนี้ผ่านจะดีในที่แห่งใดทุกอยู่ในสถานที่ทใดพึงทราบว่าสุขก็ต้องมีสถานทีนน่เหมือนอย่างมือกับแสงอยู่ในที่แห่งเดียวกันนเิเวศกับธรรมก็เช่นเดียวกัน ทุกข์กับทุกข์ก็อาศัยกันดิเมื่อแก้ให้จนหมดไม่มีอันใดเหลือภายในใจแล้วเราจะหาทุกข์ที่ไหนมาพัารบนั้นใจขึ้นมาก็เพราะมันหมดกระแลถ้ามีอยู่ถึงจะบังคับไม่ให้มีมันก็ต้องแสดงขึ้นมามการประกอบความเพียรทุกประโยชน์เป็นการที่จะแก้ที่ริดเรื่องวุ่นวายหัวใจของเราให้หมดไปเป็นลาดับดบเท่านั้น ผลเมื่อเหตุได้ประกอบให้สมควรแล้วจะต้องแสดงขึ้นมาเป็นลำดับให้เพียงพอแก่เหตุที่ทำไม่มากน้อยเมื่อเหตุได้สมบูรณ์แล้วผลก็ต้องสมบูรณ์นี่นี่อยู่ที่ตัวของเราเองคมับบางครั้งบางคราวก็ลำบากการปฏิบัติติดใ พราะอย่างยิ่งการปลูกผลเบื้องตน้นเป็นการลําบากมากบางครัง้งจะเกิดความรู้สึกขึ้นว่าเรามีบุญน้อยวัดขนาน้อยไม่สมควรจะศาสนาธรรมหรืไม่สมควรจ่มรดกนิพพานของพระพธิสัตว์เมื่อเป็นเช่นนั้นแค่แต่ว่าศาสนาจะมีอยู่เฉพาะบุคคลที่มีบุญบุญวาสนามากเท่านั้น แท้ที่จริงศาสน า, ห, ารหรือคำสอนของพระพุทธเจ้านิยมบุคคลผู้มีวาสนาน้อยหรือมากนิยมกับบุคคลผู้ตั้งใจฤฤปฏิบัติปฏิบัติผู้มากก็ต้องไปจากการอนมตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนกระทั่งถึงมากนะ เมื่อได้รับความสงบเข้าไปบ้างแล้วเราจะรู้สึกมีความสะดวกสบายยิงไปถึงขั้นสมาธิที่ละเอียดและขั้นปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ด้วยการปีญพิจารณานั่นแล้วความปุดเคลืองหรือความลําบากที่เราเคยเป็นมานั้นจะเป็นไปคนละมุมเกับความสะดวกซึ่งเป็นไปอยู่ในขณะนั้นด้วยปัญญา มันเป็นอัตโนโ ม, ตมัติคือม้วตัวไปเองเมื่อถึงขั้นที่ความเจตค้านจะหมดไปก็จะแสดงให้เรารู้นั่งอยู่ที่ไหนก็เป็นความเปลี่ยนทั้งนั้นสติเราจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ตามเป็นสติทั้งวันทั้งคืนนี่เรียกว่าสติอัตโนโมตัติปัญญาจะพิจารณาหรือไม่พิจารณาก็ตามมันเป็นปัญญาอยู่เช่นนั้นตลอดเวลาเพราะสิ่งที่มีที่มาสัมผัสที่จะให้ แสดงลุตเตือนปัญญาให้ตอกเพื่อมตัวออกมานั้นก็แสดงอยู่ตลอดเวลาแม้สิ่งทั้งหลายจะไม่มาสัมผัสเรื่องของปัญญาซึ่งเคยมีความเคยกินต่อตนเองอยู่แล้วก็จะต้องพิจารณาอยู่เสมอไม่มีเวลาหยุดยั้ยงเวียนเสียสนับเท่านั้นนี่ปัญญาขั้นนี้ต้องเป็นอย่างนั้นเรียว่าขั้นที่มีความเคยกิเลสได้แก้ไปมากน้อยรู้ชัดภายในใจยังเหลืออะไรบ้างรู้หมด ก็มันรวมตัวเข้ามาเยลยแม้ก่อนที่เละมันเป็นพืชไปหมดทั่วทั้งแผ่นดินเมื่อได้ถูกปัญญาตะล่อมเข้ามาตะล่อมเข้ามาตะล่อมเข้ามาจนตรากรึงอยู่ที่จิตตวงเดียวนี่แล้วก็ท่า ม, มานแสดงขึ้นขณะไหนก็รู้ว่าจิตตัวของเรามันเป็นสแสดงที่เละซึ่งเกิดขึ้นจากตัวของจิตเองนะ มีขั้นนี้เป็นขั้นที่เพิดเกิดความพยันามมันเพียงก็มากปัญญาก็เฉรีย่ยฉลาดทันก็บเหตุการณ์เสมอไปเมื่อพิจารณาด้วยอำนาจของปัญญาที่มีความเกลียวกล้าและมีความชำนานเข้าไปเท่าไหร่นิเวศก็ต้องขาดไปขาดไปเป็นล ำ, นลำนดับลำดับจนกระทั่งถึงไม่มีอะไรเหลือก็รู้ขึ้นในขณะนั่นเอง ธะปัจจตังเมริตัปโบจะหมายถึงเรื่องอะไรปัจ จ, จ, จตัังก็รู้มาเป็นลําดับเหมือนกันตั้งแต่ขั้นของสมาธิที่เริ่มตัวเป็นความสงบขึ้นมาก็เป็นปัจจตังหรือเป็นสันทิฏิโกเห็นเองด้วยตัวของเราเองเป็นลํำดับลำดับจนกระทั่งถึงจิตเลช ม, มันหมดไปในขณะไห น, น, นก็ต้องรู้หัวาตาสองสารซึ่งรวมอยู่ในหัวใจดวงเดียวนี้เราเคย แบกเป็นภาระมานานแต่เท่าไร่มีความหนักหนว่วงทวงก็บิตใจของเรา ม, ามามากน้อยเท่าไหร่เราก็ทราบอยู่ภายในใจเท่าไรเมื่อภาระอันนี้ได้หลุดไปจากใจปรากฏเป็นพิษระขึ้นมาในขณะนั้นแล้วจะไม่เป็นสันทิติโกหรือปั จ, จตังเบริตาโบอย่างไรแล้วนี่แต่พระพุทธเจ้าและสาวก ท่านรู้ในองค์ของท่านท่านก็ต้องรู้ด้วยปฏิปทาของท่านที่แก้ไขามาเป็นลําดับจนไม่มีอะไรเหลือปรากฏเป็นพุทธโธขึ้นมาทั้งดวงภายในพระไถ่ของพระพุทเจ้าและในใจของสาวกก็ต้องรู้ทัศน์สิพราณในใจของท่านซึ่งเกิดขึ้นในขณะ น, นั้นธรรมาพุทธโธนี้จะตามพระพุทธเจ้าไปนิพพานหมด ตามภาสาวกตามภาษวอกไปนี้ผ่านหมดแล้วหรือว่าจะยังเหลืออยู่สําหรับเราทั้งหลายผู้มุ่งหน้าปฏิบัติอยู่ด้วยความรู้อันนี้เขาจะทํารถทําลาเครื่องยนต์กลไกทุกทุกประเภทเขาจะต้องทาขึ้นจักเหล็กทั้งรุ่นเดียกันนี่ความรู้ของเราเวลานี้ก็ยังเป็นความรู้ทั้งรุ่นเดียเมื่อได้ถูกเจริญใด้วยความภาคความเพียนก็จะกลายเป็น ผลเป็นประโยชน์ขึ้นมาตามขั้นแห่งความภาคความเขียนด้วยความเจาดญของเราจนกระทั่งถึงได้ประโยชน์เต็มที่ปรากฏเป็นพุโทโธขึ้นมาในใจของเราทั้งดวงธรรมะทั้งหมดก็เป็นเครื่องจะแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อใจของเราอยู่นี้เองเมื่อแก้ไขจนหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วพุโทโธนี้ก็จงแสดงขึ้นมาอย่างเด่นดวงภายในใจของเราเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเพราะธรรมะเป็นธรรมะอันเดียวกัน อริยสัตว์เป็นเช่นเดียวกันศิล ส, สมาธิปัญญาก็เป็นเช่นเดียวกันมีหน้าที่แก้กิเลสประเภทเดียวกันเมือ่อกิเลสหมดไปแล้วจากศีลสมาธิปัญญาลแล้วคัมมารวิมุติจะเป็นอื่นขึ้นมาจากเพราะที่ได้าูิสาวกได้อย่างไรเราก็ต้องเป็นเช่นเดียวกันเพราะต้นเหตุเป็นอันเดียวกันผลต้องเป็นอันเดียวกันขอใหบรรดาท่านทั้งหลายได้เป็นผู้เขียนมา ไม่มีอันใดที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าหัวใจของเราและมันมีอันใดที่จะมีเป็นความหยาบช้าละมกยิ่งกว่าหัวใจดวงนี้แล้วแต่เราจะอบรมให้ไปทางไห น, นเวลานี้เราจะอบรมใจของเราให้ปรากฏเป็นใจที่มีคุณค่ามีราคาขึ้น ต, ตัวขึ้นว่าจงเห็นความภาคความเพียรความอุตสาห์พะยำเป็นของมีคุณค่า ถ้าจะมองเห็นทำทั้งหลายแล่านี้เป็นคุณค่าแม้เราจะคือว่ามรรพบุญทานเป็นคุณค่าก็ยังเป็นโมฆะสำหรับเราอยู่นั่นเองเพราะเราเหตุกับผลเป็นความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันถ้าเราเห็นผลว่าเป็นของมีคุณค่าเราก็ควรจะเห็นเหตุคือการในตัวขอนเราว่าเป็นของมีคุณค่าหรือเป็นธรรมสัาพันธเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าและสามวจจปรากฏเป็นผู้วิเศษขึ้นมาให้เราทั้ขณะได้กราบว่าท่านก็เห็นคุณค่าในปฏิปทาเครื่องดําเนินของท่าน เพราะนั้นท่านจึงมีความเฉลียวฉลาดไม่มีความทอแท้อ่อนเลยในข้อวัดปฏิบัติไม่กลัวเป็นกลัวตายไม่กลัวทุกข์กลัวยากกาลัวลำบากอันใดทั้งนั้นมุ่งหน้าที่จะบำเพ็ญตนบำเพ็ญพระองค์เจ้าใสามุให้พ้นไปโดยถ่ายเยียบจนพ้นไปเสียไม่ต้องกลับมาเ ย, ายี่ยมไหวตาเกิด อ, อยู่ในโลกคงจักกันนี้ การแสดงธํามก็เห็นมาจะพอเส้นเขียนขอให้มาารดาท่านทุกฝังทุ้อย่างได้น้อมเข้าไปเป็นธรรมเครื่องสอนสตนทุกๆท่านและธรรมะทั้งหมดที่ท่านแสดงนอยากเข้าใจว่าท่านแสดงให้ใครฟังใหเ้เข้าใจว่าแสดงให้เราฟังแล้วแก้ไขเราเองมรรคผลที่จะปรากฏขึ้นภายในใจของเราตามกําลังความสามารถก็จะเป็นของเราทุกท่านขอความสวัสดีตจงนี้ แต่ท่านผว้กองผไหนทุกคน